รวมสิกขาบทที่มีในสัปปานกะกัวคส์สันจิตจะสิกขาบทว่าด้วยความจงใจปลงชีวิตสัตว์สังสัปปานกะกสิกขาบทว่าด้วยการบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิต 3. อุโ ก, โกตนะสิกขาบทว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณ์ขึ้นมาพิจารณาใหม่ 4. ทุตุละสิกขาบท ว่าด้วยการปกปิดอาบัติชั่วหยาบ 5. อูณวีสติวัฏสะสิกขาบทว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุหย่อนกว่า20ปี 6. เถยยสัทธะสิกขาบทว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร 7. สังวิธานะสิกขาบท ว่าด้วยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคาม 8. อริษฐสิกขาบทว่าด้วยพระอริษฐกล่าวตู่พระผู้มีพระภาค 9. อุคคิตะสัมโพคสิกขาบทว่าด้วยการคบหาพิกษุที่ถูกสงลงอุขเขปนียกรรม 10. กันตะกะสิกขาบทว่าด้วยสมนุตเทศชื่อกันตะกะ ถูกสงนาสนะ